พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่30มีนาคม2556ในงานครบรอบวันมรณภาพคุณแม่ชีแก้วมีชื่อเรื่องว่าโลกนี้โลกหาได้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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราคณะศิษย์ลูกหลานได้ร่วมกันมาเพื่อแสดงออกซึ่งน้ำใจทำบุญลำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำตามไม่จริงคุณแม่ท่านพอตัวของท่านแล้วตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเหตุไรจึงพูดอย่างนั้นเพราะอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าท่านผู้ใดก็ตามถ้ามรณะภาพลงไปอธิธาต์ได้กลายเป็นพระธาตุเรียบกลายแปลเป็นจพัพระเป็นแก้วเป็นหินเออหรือว่าผิดปกติจากกระดูกธรรมดาอันนั้นเท่ากับอธิธาต์ได้กลายเป็นพระธาตุอันนั้นคือ อธิธษฐานของพระอรหันต์อันนี้คุณแม่ก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นอันว่าเราก็มั่นใจว่าคุณแม่เนี่ยจตินิรพานไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาทําบุญลําลึกถึงพระคุณของท่านคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณถึงท่านจะ ล่วงลับดับขันไปเป็นเวลาถึงยี่สิบสองปีจากวันมรณภาพมาถึงวันนี้ก็ น, นับว่านานพอสมควรแต่ถึงยังไงทำคําสอนของคุณแม่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนคณาทธายาิโยมลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังก็ยังเป็นที่พอใจเป็นที่ออพอพอใจของผู้ได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองที่ สมัยเป็นพระน้อยพะหนุ่มจนสมัยเป็นสมณีนหรือเป็นพระหลวงพ่อก็เข้ามาหาคุณแม่โดยสม่าเ ส, สม อ, อแล้วก็ท่านก็ได้พูดก่าวแ น, ะแนวความคิดอะไรแต่ก่อนก็ให้ฟังหลวงพ่อเองได้ยินได้ฟังแนวความคิดของคุณแม่แล้วก็ซึง้งในจิตใจมาช่วงหนึ่งท่านอายุมากแล้วนะหลวงพ่อก็ถามโอ้คุณแม่ เห็นคุณแม่แล้วก็อายุมากแล้วก็ช่วยตนเองไม่ได้อาตมาเห็นแล้วอาตมานี่ครูบาเนี่กลัวจริงๆกลัวความแก่จะทำยังไงละคุณแม่จะไม่แก่คุณแม่ก็บอกว่าถ้าไม่อยากแก่ก็ตายซะเออผมพ่อเลยจําไม่ลืมอีกเหมือนกันใช่ถ้าตายก่อนแล้วจะไปแก่ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเออคุณแม่เนี่ยตอบถูกว่านะเนี่แหละปฏิพาน์ของคุณแม่ตอบได้เร็วนะ ถ้าไม่อยากจะแก่ก็ตายซะท่านว่ะเออใช่นี่แหละน่ลคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับลูกหลานในถิ น, นี้ท่านแนะนำสั่งสอนแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นแม่ชีแต่ว่าเป็นชีที่อยู่ในกรอบศิลศิลธรรมเป็นผู้มุ่งมั่นในธรรมอยู่ในความสันโดษ อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่สมัยก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงปู่มั่นอย่างที่ท่านในอำเภอได้กล่าวประวัติของท่านไกลๆอย่างนั้นท่านก็ได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเป็นผู้แนะนําสั่งสอนแล้วก็หลวงตามหาบัวเมื่อแนะนําสั่งสอนคุณแม่ก็ยอมรับว่าทำคําสอนขององค์หลวงตา ที่ท่านแนะนำสั่งสอนะ้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ถอดถอนอกิเลสราคะโทสะโมหะโลภกวดหลงของจิตใจได้สงบที่ขาดออกจากจิตใจได้จากนั้นหลวงตามหาบัวท่านก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความมั่นใจว่าทำที่คุณแม่ชีแก้วได้ปฏิบัติมานั้น ที่มาเล่าการปฏิบัติให้ท่านหลวงตาฟังนั้นหลวงปาฟังแล้วหลวงตาเออจบแล้วจบเพียงแค่นี้ในการปฏิบัติธรรมเราเป็นอย่างไรทางด้าน จ, จิตใจแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นอันนี้คล้ายๆองค์หลวงตาเป็นผู้รับรองในธรรมะขั้นสูงสุดก็คล้ายๆกับว่าปริญาเอกรับรองปริญาเอกลักษณะอย่างนั้นะคือความรู้ในจุดนั้น เหมือนกันไม่แพ้กันดวงตารับรองแต่พวกเราท่านทั้งหลายสิทยิญาณุศิตรหลานทั้งหลายก็มีแต่ฟังแต่พอคุณแม่ร่วงรับดับขันไปพวกเราก็ได้ไปชุมเพิงศรีระของคุณแม่ไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นดังนั้นจึงพวกเราจึงได้มั่นใจจึงได้ร่วมกันสร้างเจดี ขึ้นมาเพื่อเป็นที่บรรจุพระธาตุของคุณแม่ชีแก้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่ครบรอบวันมรณะภาพแต่ตามจริงวันมรณะภาพของคุณแม่เป็นวันที่17 18มิถุนาทุกปีนะแต่ว่าพวกเราทำเดือนมีนาพวกเราคณะกรรมการได้ปรึกษาปรรบกันเพราะเดือนมิถุนาเนี่ยเป็น วันที่ฝนตกชุกแล้วนั้นพี่น้องชาวถิ่นนี้ก็เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ก็เป็นเดือนที่ลงทําน า, าทํานาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดงานในขณะที่พี่น้องกําลังทําไร่ทํานาก็เป็นการรบกวนพี่น้องจัดทายาดโยมลูกหลานเพราะฉนั้นเราต้องทําถูกการสถานที่บุคคลกาลเทสะพวกเราจรึงได้ไปชมกันว่า น่าจะเอาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีแต่ปีนี้ตกสุดท้ายจริงๆปีนี้ตรงกับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาห้าหกเป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาอาทิตย์สุดท้ายเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันทำบุญลำลึกถึงพระคุณแต่โลบพ่อก็ได้บอกกับคณะทา ย, ยาทโยมทุกหมู่เหล่าบอกว่า ถึงเราจะไม่ได้ทําวันที่1 8บแปมิถุนาก็เถอะนะแปลว่าพวกเราเนี่เป็นลูก เ, เป็นลูกหลานเป็นลูกหนี้ชั้นดีทําไมจึงไหวอย่างนั้นเพราะพวกเราใช้หนี้ก่อนกําหนดฮะลุงพ่อว่านะาพวกเราใช้หนี้ก่อนกําหนดแต่ถ้าว่าพวกเราไปทําบุญ เ, เดือนกรกฎาสิงหาไปนั่นไปว่าลูกหนี้ทะเลถลายวันเกิดของลุงแม่คุณแม่วันที่สิบเมิถุนานูน่น เดือนต่อไปจะค่อยทําบุญหาท่านอันนั้นแปลว่าลูกนี่ลูกหลานทะเลทะลายแต่พวกเราเนี่เป็นลูกหลานชั้นดีพอถึงกําหนดเราพวกเราก็พร้อมใจกันมาร่วมกันทําบุญล้ำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ในวันนี้แต่ก็วันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมาเป็นท่านมาเป็นประธานแล้วก็ท่านนายอําเภออำเภอคำเชอีแล้วก็มีท่านสวจิตแล้วก็มีท่านห ล, ลายท่าน ที่มาร่วมงานในวันนี้นับว่าเป็นชลิเป็นมงคลสําหรับลูกหลานของพี่น้องชาวบ้าน้วยทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหวงพ่อเองอทําไมพวกเราจึงเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในคุณแม่พราะคุณแม่สรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีทิ่ริคือความละอายแก่ใจอด ต, ตะปะคือความกลัวต่อบาศ ด้วยคุณแม่เป็นผู้นักแน่นในจิตศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาศินคือท่านรักษารักษาศินอุโบโสถรักษาศิล8บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็สมาธิของท่านท่านก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเรื่องสมาธิแล้วท่านอธิบายได้ชัดเจนสําหรับผู้ที่เข้ามาถามเรื่องสมาธิกับคุณแม่เพราะว่าท่าน เน้นหนักทางนี้อยู่แล้วแล้วก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำกรรมฐานทั้ง0ี่สิบอย่างแต่หลวงปู่มั่นที่เป็นอาจารย์ของคุณแม่ชีแก้วหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านก็ให้กรรมฐานที่เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐาน ในยุคนี้ก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็สอนสิทธิานุสิ์ของลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลาดหลวงตามหาบัวเป็นตัวรู้แล้วมีเยอะนะหลวงปู่จามแค่เราเข้าในกลุ่มกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนอะไรท่านบอกว่าท่านหลวงปู่มั่นสอน ถ้าว่าสมานะัติะภาวนาสมถสมถะและวิปัสสนาสมัะคือทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาคือกั้นกลองไตรตรองเหตุและผลอันนี้สมัะคือทำจิตใจให้สงบนั้นหลวงปู่มั่นสอนว่าให้ภาวนาอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้เรียก่าอาณาปานสติ แต่หลวงปู่มั่นผนวกเข้าไปสองสองอย่างคือตามจริงพุทธานุสติธรรมานุสติสังคารแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอาเถอะถ้าภาวนากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยเฉมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายต้องเอาสองเข้าไปคือคือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่หลวงปู่มั่นเป็นกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นคือกรรมภาวนาพุทโธ ถ้าว่าสายอื่นกว่ายุบหนอะพองเนาะบางทีก็กำหนดเรื่องสติบางคนก็กำหนดตัูจิตสุดแท้แต่ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิผิดไหมไม่ผิดนะขันศรัทธายาจโจมลูกหลานหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าการแนะนำสั่งสอนกรรมฐานเหมือนกับการแนะนำการทํามาค้าขายนั่นแหละการทํามมาค้าขายแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ผลกําไรหรือผลก็คือเงินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าการปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติได้อย่างไงท่านก็เอาแนวแถวของท่านมาแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านแต่เมื่อแนะนําสั่งสอนแล้วท่านตัวท่านเองท่านก็ได้อได้ทำที่ท่านได้นาสั่งสอนะท่านมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเราจะไปถือว่ า, เ, าเราเรียนวิชาทางนี้แล้วไปปาหมาดองค์นั้นองเรียนองนั้นแล่ปาปาหมาดองค์นี้ มันไม่ถูกอันนั้นเป็นบาปกรรมเพราะเราไม่ไม่รู้เ อ, อไม่ชํานาญเราจะไปปาหมาด ท, ท่านเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องฟังท่านสอนอยังไงเราปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติดูแล้วเออไม่ได้ไม่ถูกกับอุปนิสัยของเราเราก็เปลี่ยนกรรมาฐานใหม่เออแล้วก็ไปเอาฟังดูซิองนี้ดูซิเมื่อเราไปเรียนดูแล้วถูกกับจริตของเราเอออันนี้ใช่ได้เอหแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละให้พวกเรา ใยในการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อแนะนําพวกลูกคณะทาญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหลวงปู่มั่นสอนนะให้ถีเย็บอันนี้ก็คือการภาวนาแต่หลวงพ่อแนะนําว่าเออลูกหลานทดลองดูสิหลวงพ่อภาวนานรู้สึกมันเห็นได้เร็ว่ะเห็นได้ง่ายเห็นได้เร็วก็คือหายใจเข้าให้พวกเรานับนะ นับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสานับ4ี่นับห้านับหกนับ7็ดนับ8ดนับถึงร้อยไม่เผลอนะแสดงว่าสติของเราดีนะคำว่าเผลอมันเผลอยังไงเวลาหายใจเข้านึงเป็นเลขคี่นะสองออกเป็นเลขคู่สเป็นเลขคี่สี่เป็นเลขคู่ห้าเป็นเลขคี่หเป็นเลขคู่เข้านี่เป็นเลขคี่ออกนี่เป็นเลขคู่นะถ้าหากว่ามันจะเผลอเนี่ย มันจะเบอร์เบอร์จากนั้นก็หายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่สลับกันสแสดงว่าสติของเราย่าแย่แล้วถ้ามันเผลอ บ, บ่อยๆนะยิ่งย่าแย่ใหญ่ไม่ควรจะไว้ใจล่ะเออต่อไปเนี่ยเราเป็นอันไซเมอร์ใดง่ายๆแล้วเป็นบ้าอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะขาดสติคนขาดสติมากๆนะันะ่นแหละคนบ้าเราจะเป็นลักษณะ น, นั้นหรือเปล่าเนี่ย เ, เราต้องตั้งสติให้ดีนะนี่แหละให้เราพยายามดูดูให้เข้มงวด พยายามนับดูตั้งสติให้เข้มแข็งถ้านับดูถึงร้อยไม่เผลอแปลว่าใช้ได้นับอีกครั้งที่สองไม่เผลอใช้ได้นับไปเรื่อยๆไม่เพลอสักครั้งอันนั้นแหละยิ่งดีดีที่สุดสติของเราดีนี่แหละวิธีการภาวนาเพราะว่าไม่ใช่อย่างเดียวนะการวิธีการภาวน า, พ ร, าพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนสิตญานุสิตสอนอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสอนมีมีมากลากหลาย สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัท ส, สมัยนั้นท่านเทศนาว่าการพระบิดาของท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาพระอนาคาเป็นพระหรหันต์จากนั้นพระมารดาเลี้ยงของท่านก็ออกมาบวชก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แต่นี้ยังเหลือน้องชาย น้องชายของท่านน้องชายพระพุทธเจ้าชื่อพนันท ะ, ะแล้วก็น้องสาวคือนางรูปนันธาน้องสาวของพระพุทธเจ้าแต่น้องสาวต่างมารดาน ะ, ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเรียว่าประสูติกับพนังเฉลิมหามายาแต่นันทะกุ ม, มารกับรูปนันธา เ, นเกิดกับนางโคตมี พระแม่นแม่นาคือแม่นานี่ก็คือเป็นน้องสาวของขอ ง, ของนางสิริมหามายาคือพระเจ้าจุธโอธนะพอนางสิริมหามายาประสูติศิท ธ, ธะคือพระพุทธเจ้าของเราได้เจ็ดวันสิริมหามายาก็ได้สวรรคตพอสวรรคตแล้วพระเจ้าจุธโอธนะก็เลยได้แต่งงานกับน้องสาวเป็นอคคมเหสีคือนางโคตมี นางโคตมีก็ได้เลี้ยงเป็นพระเป็นพระแม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลานแต่ท่านก็รักยิ่งกว่าลูกของท่านจะอีกรักพระพุทธเจ้าพระท่านพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ใครๆเห็นครรักเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งหมดจากนั้นท่ า, กา น, า น, าานกา็ประสูตินางนางโคตมีอัคมะเมห์ศีใหม่นี่ก็ประสูติอว่านันทะกุ ม, มารและรูปนันทา จากนั้นพอพระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นศิริษฐาพ่อเป็นหนุ่มขึ้นมาก็เป็นที่พอใจในการสแสดงศิลปะอะไรให้พระบิดาพระประยูรญาตดูเป็นที่พอใจอย่างมากจากนั้นพระบิดาก็เลยยกให้ศิริษฐะเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองแทนพระบิดาจากนั้นพระองค์อายุถึงอายุ29่สเก้าปีพระพุทธเจ้าของเราศิริษฐาของเรากหนีออกจากเวียงวัง ไปบวชอยู่ในป่าหนีออกกลางคืนอีกต่างหากนะแบบขโมยหนีอะไรล่ะไปอยู่ถึงแม่น้ําอโนมาณทีเขตแขว ง, ขวงกรุงราชจะคืจากนั้นท่านก็ได้ทรงผนวชอยู่ในป่าอยู่การทรงผนวดคาวนั้นนะ่ะทดลองผิดทงกลองถูกอย่ถึงหกปีอยู่ในแม่น้ําอโนมาณทีจากนั้นก็ได้สําเร็จได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็ พอกลับมาโปรดพระบิดาเทศให้พระบิดาฟังพระบิดาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นครั้งแรกจากนั้นก็เป็นพระอนาคามีพอสุดท้ายท่านก็เลยไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระเจ้าหุดโททนะเมื่อท่านเมื่อท่านปรินิพานจะว่าสวรรคคตไม่ได้เพราะพระเจ้าจุดโททนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องว่าปรินิพาน ถึงจะเป็นคารวาสก็เถอะก็ต้องใช้ศัพท์ว่าพระเจ้าจุโธธนะปรินิพานฮะจากนั้นก็พอต่อมานางโคจะมีพระแม่เลี้ยงนี่ก็ขอบวชก่อนที่จะขอบวชโอ้ประวัติจะยืดยาวน ะ, ะตัวนี้แต่พระเจ้าให้บวชบวชเสร็จแล้วก็นางนั่งเหลือแต่นันทะกับรูปะนันทาแต่นั้นเขาเพราะพยุรยญาติทางายก็จะจับแต่งงาน คือสมัยนั้นเขาไมา่ได้ว่านะพี่น้องแต่งงานกันพี่ชายแต่งนางานกับน้องสาวนะ่แต่นี้นพอถึงกำํำหนดแล้วก็จะแต่งงานให้ครองครองเรือนจากนั้นพระองค์ก็เข้าไปเทศโปรดไปโปรดพระมาณพระบิดาพระบิดาก็ยังยังอยูนะ่จากนั้นก็เห็นน้องชายกำลังจะแต่งงานอย่างไรนันทานก็นันทาก็เห็นพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เข้าไปฉันในเวียงวงัง นันทาก็เข้าไปปนนิบัติดูแลถวายสิ่งของถวายน้ําถวายสิ่งของเสร็จแล้วก็พอพระพุทธองค์สรนจหารเสร็จสวยพระกาหารเสร็จนะก็ให้นันทาเป็นผู้อุ้มบาตรเป็นผู้อุ้มบาตรตามหลังพระพุทธเจ้าพออุ้มบาตรมามาถึงหน้าประตูที่จะลงจากเวียงวังนาง รูปนันธาที่เป็นน้องสาวเนี่ยกำลังจะแต่งแต่งงานในวันนั้ น, เ, น เ, เห็นว่าพี่ชายกำลังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้านะนางรูปนันธาเนี่ยกำลังสระผมอยู่ว่าไนล่ะกำลังสระผมล้างผมสระผมอยู่ก็เห็นว่าได้ยินว่าพี่ชายจะไปตามพระพุทธเจ้านางก็ไม่ได้คิดอะไรเออออกมาจากที่สระผมเลยน้ำผมน้ำยังไหลหยดอยู่เออ ยังไหลายยดอยู่ก็สั่งว่าพระลูกเจ้าเมื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วรีบกลับนะพะยาาักค่ะนี่นางรู ป, ปะนันธาสั่งพี่ชายนะพี่ชายก็มองเห็นน้องสาวแต่จะได้แต่งงานกันในวันนี้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินเดินพอไปถึงหน้าประตูพระพุทธเจ้าก็ไม่รับบาตรจากนันทะ นันท่าเอพระพุทธเจ้าจะรับบาตรคงหน้าประตูคงจะรับรับเอาบาตรท่านมั่งพอไปถึงกลางสนามนันท่าก็คิดเอ๊พระพุทธเจ้าคงจะรับอบาตรตรงกลางสนามก็เดินไปอีกไปถึงประตูประตูวังพระพุทธเจ้าคงจะรับเอาบาตรอยู่ที่หน้าประตูมั่งพระพุทธเจ้าก็เดินชอยไม่รับเอาบาตรจากพระนันท์ไย พ่อเนรท่ก็ไม่รู้จะส่งบาตรให้ยังไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่ถามเอาบาตรแต่อุ้มบาตรตามหลังไปอย่างนั้นเถนี่พอไปถึงวัดอที่ในกรุงกระบินลพัดนะ่ะป่ามะม่วงพอไปเข้าไปแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่านันทะจะบวชไหมเมื่อพระพี่ชายถามอย่างนั้นจะทํำยังไงทถนีน่ไม่บวชครับก็เป็นการปฏิเสธขาดความเคารพใน พ, พระพุทธเจ้า ที่เป็นพี่ชายเขาถามว่าบวชไหมชุดแท้แต่พระพี่จะให้บวชก็บวชครับเออเอาบวชช น, นะอา่าไปบวชเจ้าการสั่งไปโมกอานนท์สารีบูตรโมกคลาบวช น, นทันษะจากนั้นพระนันทาก็เลยบวชเหงนั้นเอะพ่อบวชเสร็จแล้วก็อยู่ในวัดหลจ้ะนี่นางรู ป, ปนานันทาก็ไม่ได้แต่งงานเลยเ แต่พระเจ้าจุโถทนาก็เสียใจอยู่เหมือนกันเอเราก็คิดว่าจะให้นันทะเป็นผู้แทนเป็นน้องชายแทนปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะอ่ากนั้นก็ต่อมาเนะะ่ยแบบพระเจ้าจุโถทนาก็ท่านก็เสียใจะะเลยก็ยังเหลืออยู่ลาหุนราหุนคือลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเป็นราหุนคือเอาต่อไปราหุนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็ดีละ เ, เมื่อ น้องชายบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่างหลานต่อมาอีกเดีนางพิมพายโสธราที่เป็นแม่พระราหุลเนี่ยที่เป็นมารดาของพระราหุลเนี่ยท่านเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาฉันในเวียงวังพระราหุลก็อายุเจ็ดปีพอมาฉันในเวียงวังบ่อยก็บอกให้ลูกชายว่านี่นะลูกราหุลลูกนี่สมณะผู้เดินก่อดผู้สูงสูงนะที่องค์อาจ ที่เดินก่อน น, ะนั่น่หละคือพระบิดาของเจ้านะลูกนะแต่ก่อนเมื่อพระบิดาของเจ้าเนี่ยครองราชอยู่เนี่ยขุมทรัพย์เกิดอยู่ในสี่มุมเมืองออมีหลุมเงินหลุมทองอยู่ในสี่มุมเมืองแต่พอพระบิดาของของลูกออกไปบวชแล้วหลุมทรัพย์ทั้งสี่มุมเมืองหายอันตรรดาหายไปเลยเพราะนั้น ช่วงต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของลูกจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบินแลพัดขอให้ลูกไปกราบขอขอพ่อนะบอกว่าพระบิดาครับเมื่อพระองค์ครองราชสมบัติอยู่ขุมทรัพย์เกิดในสี่มุมเมืองแต่บัดนี้ขุมทรัพย์เหล่านั้นได้หายไปแล้วขอพระองค์ประทานพระราชทานและประทานให้ข่าพระองค์ด้วยเทิดต่อไปข้าพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครอง เมืองกรุงกบิลพัทแต่ขอให้มีขุมทรัพย์เกิดขึ้นเหมือนกับพระ อ, องค์ยังสวยลาดในครั้งนั้นโดยเธอรพระเจ้าค่ะแม่แนะนำลูกชายลูกชายก็ ม, มั่นใจจิเนก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอีกพอมาชั้นเสร็จแล้วก็เดินตามหลังนะจิเนพอไปถึงกันพระบิดาครับขอประทานขุมทรัพย์ให้กับผมด้วยครับเออพูดตามหลังไปพระพุทธเจ้าเออ เออไปเรื่อยพอไปถึงวัดป่าออป่ามะม่วงที่ว่าปุงก บ, บินละพัดทวารลาหุ่นจะบวชไหมลาหุ่นก็ไม่รเอาอย่าไปเอาถ้าโลกีละโลกียะซั์นะลูกนะอย่าไปเอาโลกียะทรัพย์นะเอาโลกุตละรัพย์ก็แล้วกันโลกียะซั์มันมันหมดเป็นมันหายเป็นอันตรธ า, านหายไปได้แต่โลกุตละซับเนี่ยเป็นรัพย์ที่สาวรที่มั่นคง เอาโล ก, กุตละทรัพย์ดีกว่านะลูกนะครับผมพวกเราบอกเอาถ้า ง, งั้นสารีบุตรเอาลาหุ่นไปบวชภาษาสารีบุตรที่เป็นอั克拉สาวกของพระพุทธเจ้าก็นําลูกชายของพระพุทธเจ้าไปปองผมจากนั้นก็บอกกรรมฐานและก็บวชเป็นสมัมมาเนมตอนนี้แหละพระเจ้าจุดโทธนาะโอเป็นเดือดเป็นร้อนขนานหนักเลยทีนี้คือตั้งความหวังว่าจะให้ น, นันทะเป็ น, ป น, ป น, ปนพระเจ้าเป็นดิน แล้วก็ยังพาดไปถึงพระราหุนอีกลาหุนบวชอีกทืนีงเอ่อพระเจ้าจุโทธนาะไปกราบพระพุทธเจ้าเลกราบลูกชายกราบพระพุทธเจ้าผ่านขนาดข้าพระองค์ได้เป็นพระอริยะบุคคลรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมในระดับหนึ่งแต่ขนาดนี้ข้าพระองค์ก็ยังเสียใจอย่างมากที่ลูกชายนันท่าบวชก็ไม่เท่าไหร่เพราะยังหวังกับพระราหุนหลานชายแต่บัดนี้ราหุนบวชข้าพระองค์เสียใจอย่างมาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะลูกเนอะถ้าจะเอากุละบุตรคนไหนบวชขอให้ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เขาเสียก่อนจึงค่อยบวชถ้าว่าไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เขาหนึ่งพ่อแม่เขาจะเสียใจอย่างมากอย่างพ่อปีดาเนะี่ยเสียใจอย่างมากที่เห็นลูกและหลานบวชโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่พระพุทธเจ้าเอาไปบวชเลยจากนั้นพวกเราเลยเรียกประชุมสงนะเอา้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าว่าผู้ใดกุลบุตรผู้ใดอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ซะ ก, ก่อนอถามที่ว่าอนุญญาโตซิมาตาปิตตหิเจ้าได้รับอนุญาตจากบิบดามารดาหรือยังอามะพันเตครับผมได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วจึงค่อยให้บวชนะแต่ถ้ามัรดาทําพ่อแม่ไ ม, ม่อนุญาตเนี่ยพระพุทธเจ้ามาให้บวชนะ พอเอพเพ่อพ่อแม่ไม่อนุญาตเนี่นี่แหละอันนี้คือ ค, อความเป็นมาของวิในาจากนั้นพนางดูปา น, นทาก็อยู่ในบ้าน เ, เนแม่ก็บวชพี่ชายก็บวชหลานก็บวชพี่สะพ้ยก็บวชไก็นางก็อยู่ตามลำพังแต่ว่าจะไปฟังเทศพราะพุทธเจา้าเพราะพุทธเจ้าตําน้ว่าร่างกายสังขารเป็นอสุภะปฏิกูล เป็นของที่ไม่เสร็จสวยงดงามเป็นอาจุพะมีแต่ของโสโครกไหลออกจะทางากทวารทั้ง9ก้าขี้มีขี้หูมีขี้ตามีขี้จมูกมีขี้ปากขี้ฟันและก็มีอุจิละปัสสาวะแล้วก็ของปฏิกูลไหลออกจากผิวหนังต้องชำระต้องล้างอยู่ทุกวัน ร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของที่ไม่น่าดูถ้าพิจารณาตามธรรมเพราะพระพุทธเจ้าเทศนาว่าการอยู่อย่างนี้นางรูปานันทาโอ้ร่างกายของขาดตากาะสวยหูเกาะสวยอะไรก็สวยมั้งพอได้ยินพระพุทธเจ้าตำหนิไม่พอใจไม่ไปฟังเทศน์นี่แหละคนในครั้งนั้นก็มีมันการที่ติดสวยติดงามใช่ไหมล่ ะ, ะจากนั้นนางรูปานันทาไม่ไป อไม่ไปฟังเทศแต่ที น, นี้ก็ต่อมาก็เห็นว่าแม่เขาบวชเลยนนางโคตมีก็บวชแล้วไปอยู่กับแม่เป็นภิกษุณีแต่ไม่ยอมบวชนะไปอยู่กับแม่อแต่ทีนะ น, นี้ก็ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีน้อยหนุ่มทั้งหลายก็มาประกาศมาบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าเทศวันนี้ออืเยดย้อยเหลือเกินหน้าฟังเหลือเกินมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าเทศ ใครๆก็มาพูดนางรูปานันทาก็ฟังแต่บัดไหเขาว่าพระพุทธเจ้าเทศดีเหลือเกินพระพี่ชายของเรานเทศดีอบรมดีเราควรจะไปฟังเทศวันนี้ไปดูดูซิเป็นยังไงทีงนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าวันนี้รูปานันทาจะเข้ามาฟังธรรมเราจะมาฟังเทศเราวันนี้เขาจะนักเขาจะยืนอยู่มุมนั้นเขาจะนั่งอยู่มุมนั้น พระพุทธองค์รู้แล้วสิพอนางลูปะนันธา ม, มาถึงนี่พระพุทธเจ้านิรมิตเลยนะใช้นิรมิตเลยล่ะใช้ฤทธิ์เลยแต่อิทธิฤทธิ์เลยล่ะนิรมิตหญิงสาวคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆที่พระพุทธเจ้าเทศหญิงสาวคนนี้สวยมากเหมือนกันดังสวรรค์ซันไหนก็ไม่รู้นะงอายุสิบห้าสิบหกปีถือพัดนะถือพัดพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจา้จาก็เจตนาว่าการเฉย แต่คนอื่นไม่เห็นนะเห็นแต่นางรูปานันธาคนเดียวเห็นเห็นรูปนิมิตอันเนี่ยเอแต่นางรู ป, ปนันธาเห็นไม่ฟังเทศพระพุทธเจ้าเลยตาจ้องอยู่โอ้โหเราก็ว่าเราสวยงามแต่มาเห็นหญิงสาวคนนี้เราเรานี่ตกขอบเลยว่าไงน้นี่ะเออเรานี่ไม่รู้ว่าเป็นลิงอยู่ป่าไหนก็ไม่รู้หญิงคนนี้ทําไมสวยถึงขนาดนี้นะคือนางรู ป, ปะนันทานตามลําพังอยู่ในห้องสิบสองศอกนี่ แสงสว่างออกจากร่างกายน ะ, ะไม่ต้องไม่ต้องจุดเทียนไปหยิบเอาของในห้องมืดๆนี้ได้เลยเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามีแสงสว่างออกจากร่างกายนี่แหละความสวยงามท่านจะติดในร่างกายนางรูปนันธาเนี่ยจากนั้นก็พอนาเจ้าดูไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับเนรมิตรผู้หญิงคนนี้ถือพัดวีพัดพระพุทธเจ้าอยู่ พอพัดไปหญิงคนนี้ก็หญิงสาวน้อยคนนี้ก็อายุแก่ขึ้นเรื่อยๆใช่อายุยี่สิบห้าอายุสามสิบอายุสี่สิบอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบพออายุถึงเก้าสิบเลอนางสาวน้อยตะก่อนเนี่ยดูๆแล้วจะดมันไม่เป็นอย่างนั้น่ะผมขาวจะดีหนังเหี่ยวฟันหลุดเออตาฝ้าฟางเวลาจะพัดแต่ละครั้งเนี่ชักที่ชักงอกร่างกางออกงักจะก่อนจะค่อยพัดแต่ละครั้งทีนี้ นางรูปะนันธาเห็นโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะร่างกายสังขารเนี่ยสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มก็มันก็สวยงามแต่บัดนี้โอ้โหอายุขนาดนี้แล้วดูแล้วหาความสวยงามไม่เจอแล้วนี่ทําไมเป็นอย่างนี้ร่างกายพอนางปงตกเท่านั้นแหละพราะพระพุทธองค์บอกว่าเป็นอย่างนี้แหละรูปะนันธานคนอื่นไม่ได้ยินนะเออใค่ว่าใช้ฤทธพูดให้รูปะนันธาฟังเป็นอย่างนี้แหละรูปะนันธา ร่างกายสังขารมันไม่ขอบไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนถึงจะดูแลดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องแก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่นานอยู่นานเท่านานได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ต้องให้พิจารณาวไว้อยู่เสมอว่าร่างกายสังขารเป็นอนิจจงของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเมื่อของเป็นทุก แล้วจะเป็นตัวตนได้อย่างไรเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายสังขาร น, นี่นะพอนางรูปะนันทานได้ฟังเท่านั้นละ่ะเออตามทำคาสอนของพระพุทธเจา้านางฟังด้วยความตั้งใจด้วยการศึกษานางได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยืนที่นั่งฟังอยู่ทุกนั้นนะเออพอนั่งฟังได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์เออจบแล้วออสอนคนนี้ สอนน้องสาวคนนี้จบแล้วจากนั้นนางก็เลยได้ปวดเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาต่อมามาพูดถึงพระนันทะทีนี่ไอ้พนันทะนี่ก็พอบวชเข้ามาได้ประมาณชักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็ลําลึกถึงพระนางรูปนันธาที่เป็นน้องสาวที่มาสั่งเสียกําลังจะลงจากบันไดบันไดพระราชวังนางโผล่ออกมาจากหน้าต่างบอกว่าพระลูกเจ้า ไปแล้วรีบกลับนบพยคขาเนี่ยคำนี้เราเหมนันมันมันเติบอยู่ในใจของพนันธาเอนกันเถอคิดถึงน้องสาวคํานี้พนันธาเนี่ยก็อพอคิดขึ้นมาแล้วก็อนอยากจะศึกในช่วงก่อนหน้านี้อยากจะศึกอย่างมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับตัวพร้อมพระสงฆ์ทั้งหลายจะถามเอาท่านนันทะท่านไม่สบายเหรือครับไม่มีอะไรครับ แต่มันร่างกายมันสบายอยู่แต่ว่าใจมันไม่สบายใช่ไหมล่ะเออมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันใจมันมันคิดคิดว่า เ, เราควรจะเป็นคารวาจะมีความสุขกว่าแล้วเราจะมาเป็นนักพจนักบวชอย่างนี้โอ้ตายแล้วจะอยู่ยังไงฮะเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่จากนั้นท่านก็ล้ำลึกถึงนางรูปนานธาที่เป็นน้องสาวจะต้องแต่งงานกันด้วยนีเทีนี้ก็พระนันทากบ ไม่เป็นอันอยู่อันกินเทเน่พอต่อมาเทเนี่อดลนทนไม่ได้พระสงฆ์ก็ถามเนื่องท่านอันทะท่านไม่สบายเหรอครับผมไม่สบายครับไม่สบายใจครับผมอยากจะสึกฮนะผมอยากจะลาสึกขาครับท่านท่านจะสึกไปทำไมเนะี่ยโอ้ผมคิดถึงวันที่ อ, ออกมาเลยมันมันคล้ายๆกับว่าผมยังตัดไม่ขาดเลยครับ เอพูดในใจออกมาเลยเลยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปกราบทูลพระพุทธไตรเจ้าเลยพระพุทธไเจ้าข่าวนันทะเขาอยากจะสึกนะพระเจ้าข่าวเขาคงจะอยู่ไม่ได้เขาอยากจะสึกพระพุทธองค์เลยอย่างนั้นเหรอไปเรียกนันทะมาก็เรียกนันทะมาเลยพอเรียกนันทะพานันทะนนเข้าไปถามว่านันทะเป็นไงเธออยากจะสึกเหลรอพอมันมันเกลือดถึงขีดแดงแล้วใช่ไหมล่ะมันอดไม่ได้ได้ทีนี้พูดตามความเป็นจริงเลย พระเจ้าข่าวข้าพระ อ, องค์อยากจะศึกอย่างมากเลยพระเจ้าข่าวทำไมล่ะนันทะเพราะข้าพระ อ, องค์เห็นนางารูปนันทามาสั่งเสียแดงวันนั้นมันอยู่ในจิตใจของข้าพระ อ, องค์อย่างเหนียวแน่นเลยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันอยู่ในใจิตใจพระเจ้าข่าวเออเอาเถอะนะปะ่อพระพองค์เดี๋ยวจะพาเราจะพาไปาไปดู จะเอายังไงเอาจะจะจะค่อยว่ากันนะตามเราไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปพระองค์แสดงฤทธานันทินี่จากนั้นพระองค์ก็พานันทะเดินตามหลังไปสองพี่น้องเหมือนกันแต่ผูใ้ใเจ้าเป็นพระเจ้าพี่เด้นี่พระนันทเนี่ยเป็นเป็นน้องชายต่างมารดาเดินตามหลังไปพระพุทธองค์ก็เดินไปเดินไปไปกลางท้องนาทุ่งนาไปเห็นทุ่งนาจะเรงมี มีต่อไม้มีต่อไม้ต่อหนึ่งนะแล้วก็เดินผ่านไปพอผ่านไปก็พระพุทธเจ้าเนรเมศลิงตัวหนึ่งนะลิงตูเมียนะเลียงแก่นะลิงแก ะ, นะ ล, แกะลิงตูเมียนั่งอยู่ที่ต่อไม้อยู่กลางท้องนาเนยนะแต่ต่อไม้ก็ไฟไม่ดำๆใช่ไหมเลิงก็ขมุกขมอมนั่งอยู่ต่อไม้พระองค์บอยเห็นไหมนันทะเห็นครับลิงครับมาก็เดินไปเดินผ่านลิงไป พอเดินไปแล้วไปพระพุทธองค์พาไปชั้นสวรรค์เ่ยไปดูสาวสวรรค์เหมือนน่ะเออพอไปเห็นพวกเทวบุตรมาต้อนรับนางสาวเทวดาสันสวรรค์เนีลยมากับเทวบุตรเลยเทวดาก็มากราพระพุทธเจ้าเนยโอ้โหสวยงามมากเลยแต่เนี่ยนันทะพระพุทธองค์ก็ถามว่านันทาเห็นไหมเห็นสาวสวรรค์ไหมเห็นพระเจ้าข่า เป็นไงสวยไหมโอ้สวยจริงๆพระเจ้าขา่มกับนางรูปานันธาที่เป็นน้องสาวของเธอใครสวยกว่ากันพระองค์กระซิบถามนะใครสวยกว่ากันโอ้ยนางรูปานันธาเหมือนกระลลงอยู่ในตอไม้นะพระเจ้า ข, าขา่าคนนึงสาวสวรรค์นี่สวยกว่าจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็เออเอาไปถ้าหากว่าเธอนะปฏิบัติพรมประจันนะไม่ศึกนะ ปฏิบัติอย่างเนี้ยปฏิบัติพรผมอาจารย์นะเรารับรองเลยว่าเธอจะต้องได้สาวสวรสด์นะไม่ต้องคิด เ, เรื่อง เ, อเรื่องสาวมนุษย์ว่า ง, งั้นขับผมเผยรับเลยทีนี้ก็พอเห็นสาวสวรรค์ก็จะได้สาวสวรรค์จากนั้นก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปดาววดึงเลพอดาวดึงสาวดาวดึงสวยกว่าสาวจาตูมอีกทีนี้อ่าพอเห็นนะโอ้ สาวสวรรค์ชั้นนี้ทำไมสวยขนาดนี้พระงนะองค์สวยไหมโอ้ยสวรรค์เมื่อสวรรค์เมื่อคราวที่แล้วเห็นเมื่อกี้เนะ่ะอันนั้นเหมือนกับเหมือนเหมือนกระเลงอยู่ต่อไม้เลยพระเจ้าค่ะอันนี้โอ้สวยจริงๆเหมือนกันเอาถอะนะนันทะถ้าว่าเธอปฏิบัติธรรมนะเ อ, อเรารับรองออสวรรค์สาวสวรรค์ชั้นนี้ได้แน่นอนถ้าเราเรารับประกันครับผมจากนั้นก็ขึ้นไปอีกจันดูสิทธิ์ พอถึงสันส้นนริตพอเห็นแล้วก็เอาเอาละมัง่งเนาะเอาสามสั้นนี่ก็พอแล้วไปลงไป เ, เธอต้องปฏิบัตินะ ถ, ถ้าเธออยากจะได้สวรรค์สาวสวรรค์ชั้นนี้ท่านท่าก็คับผมพอจากนั้นลงมาโอ้โหอยากจะศึกนี่หายหมดเลยท่นี่พอจะได้อยากจะได้สาวสวรรค์ใช่ไหมเออทีนี้พระพุทธองค์เขาก็ถามว่าท่านนาทะขึ้นไปที่ไหนไปที่ไหนพระพุทธองค์พาไปที่ไหน นันทาก็บอกโอ้พระพุทธองค์พาไปสวรรค์ถึงชั้นดุสิษฐ์โอสาวสวรรค์สวยมากพระพุทธองค์รับประกันว่าถ้าว่าผมไม่ศึกนะผมจะได้ ส, สวรรค์ชั้นไหนก็ได้ผมก็เอาเอาชั้นสูงๆนะ่สวยกว่าทุกๆชั้นคือสวยขึ้นไปเรื่อยๆมาเอออันนี้ก็คือพระนันทะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็พูดอลรตอ น, นี่นันท์เป็นไงสาวสวรรค์สวยไหม สวยครับพระพุทธองค์รับประกันจะให้ได้สาวสวรรค์ใช่ไหมครับที่แรกกับครับตั้งใจครับจริงๆเลยพอต่อมาพระทั้งวัดนี่ถามพุทธนาคถามธรรมเนจก็ถามพระก็ถามพอได้สูรโอตายตายตายตเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้สาวสวรรค์นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลทีนี้ก็อายหมู่ทีนี้ไปหลบอยู่หลังวัดไ อ, อไปหลบอยู่หลังวัดโตตายตาย ไอยหมูไอหมูเขาเขาใครๆว่าเขาเย่อเย้ยเลยเพอได้สูกอะไรไปภาวนาอยู่หลังวัดออยู่ในมุมสงบไปตั้งอกตั้งใจภาวนาพอท่านองค์ตั้งอกตั้งใจภาวนาพระพุทธเจ้าก่นนิรบิษไปสอนสอนธรรมขั้นลึกซึ้งให้พนันทะท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พอท่านได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เสร็จแล้วท่านก็ออกมา พระสงฆ์ก็ถามว่าพระสงฆ์ที่เป็นผู้ทุชนทนำะนันทะ เ, เป็นยังไงท่านเดจะไปสวรรค์ต้องการสาวสวรสวรค์ชั้นไหนโอ้ยผมไม่ต้องการสวรรค์ทั้งหมดเรื่องสมมุติทางหลายทั้งปวงไม่อยู่ในใจของผมแล้วจริงสวรรค์ชั้นไหนก็แต่ผมไม่อยู่ในใจแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายเออพนันทะนี่ อ, อวดอุตริมนุส ธ, ธรรมเสร็แล้วเออตัวเองไม่ได้สําเร็จ เขาว่าไม่ต้องการคําว่าไม่ต้องการเขานี้คือพระหันทนั้นพูดคํานี้ได้ถ้าปุตุชนแล้วจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ อ, อันนี้แสดงว่าปวดอุตริมนุษยธรรมเลยเยขาไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็เรียกนันทะเข้าไปนันทะเป็นไงเธอได้พูดอย่างนี้จริงไหมจริงพระเจ้าขา่าเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์หมดแล้วหมดความสงสัยแล้วหมดกิเลสภายในใจแล้ว ราคะโทสะโมหะหมดออกจากใจของข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่พระพุทธองค์ไม่ต้องรับประกันให้ข้าพระองค์ที่จะไปสวรรค์ชั้นไหนอีกต่อไปแล้วเออนี่แหละนะพระสงฆ์ทั้งหลายนั น, น, นทะนะที่เรารับประกันว่าอยากจะให้เธอได้สาวสวรรค์นั้นบัดนี้เธอได้เป็นพระหรหันแล้วจบแล้วภาระของเราที่รับประกันก็แปลว่าสิ้นสุดลงแล้วนะนั น, นทานะเออพระเจ้าข่านี่นแหละ การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายหลายอย่างอันดับแรกพวกเราได้สังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนนางรูปานันทาเเอาของอแก่ของไม่สวยอัุภริะมาแนะนำสั่งสอนแต่สอนพระนันธานี่ยเอาสองสวยงามมาแนะนาสั่งสอนอผลในส่วนก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเหมือนกันทั้งสองอย่าง เพราะจันทร์สรุปแรกก็คือเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านใน ศ, ศึกษาธรรมะทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นแนะนําสั่งสอนเนี่ยให้พวกเรายึดตามแนวแถวสายหลวงปู่มัน่นหลวงพ่อว่านะเพราะเหตุไรผมหลวงพ่อแนะนําบอกแล้วบอกอีกว่าหลวงปู่มั่นของเราเมื่อท่านจตุตินิพพาน ท่านมรณภาพไปแล้วพวกเราได้ไปชุมเพิงท่านอธิษฐานของท่านเลยกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นหลวงปู่สารก่อดเเป็นพระธาตุหลวงตามมหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆอธิษฐานของท่านเลยกลายเป็นพระาามมาาา ธ, ธาตุาาาให้พวกเราได้เห็นต่อหน้าต่อตาสแสดงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่องคหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นมาเป็นสายของพระรหันติปฏิบัติธรรมนำรำคําคสอน ของพระพุทเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจนให้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะตายใจหรือว่าเคารพนับถือเลื่อมใสในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มอบ ก, กายถวายชีวิตได้วะนี่คือสายของพระรหันต์เพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะสัตย์ทายญาโจมเป็นแนวความคิดนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อ, อยังไงก็สุดแท้แต่ในแนวความคิดแต่หลวงพ่อนี่ บอกนแนวเท่านั้นแหะให้พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่าปุญญาณิพลโลกัตฉมิงพุทธภาสิทธิยกขึ้นเบื้องต้นว่าปุญญานิพลโลกัตฉมิงปฏิฐาโหนติปานินันติบุญปแปลว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งโลกนี้และโลกหนาคือบุญเป็นที่พึ่งของวิญญาณได้ใจของพวกเราใจของพวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีสองรู ป, ปรธรรมกับ น, นามธรรมารู ป, ปรธรรมคือร่างกายร่างกายเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ไปได้ยากยพอเกิดมาแล้วขี่ไล่ขี่เละเส็จสวยงดงามดํำขาว ก็ได้มาแล้วแต่ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เป็นให้โง่ก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ให้เป็นบาปก็ได้ให้เป็นบุญก็ได้เปลี่ยนแปลงได้โลกนี้โลกหาได้อย่างที่คุณแม่ฉีแก้วได้พูดไว้ในในวรลีหนึ่งนะทว่าโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาทรก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หาทุกข์ก็ได้หารวยก็ได้หาทุกข์หายังไงหาทุกข์หาทุกข์ก็ขี้เกียจขี้ค้านนะ เอ้อไม่สแสวงหาทรัพย์กระทุกเลยหาทุกหารวยก็ต้องขยันฮนี่แหละหาอะไรก็ได้หาในโลกนี้เพราะนั้นพวกเราควรจะหาคุณงามความดีหาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่กายวาจาจใจของพวกเราพวกเราจะมีแต่ความสุขทางโลกนี้และโลกน่า เ, เมื่อโลกนี้เราก็ ม, า ม, มีแต่ความสุขเมื่อออกจากโลกนี้ไปแล้วพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความผาสุขการ กล่าวสมมนาธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบา ร, รมีของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำบุญบา ร, รมีขององค์หลวงปู่จามขอให้มาคุ้มครองพวกเาาราคณะสิทธิญนุสิ์ทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเถิด